อันโปรอ่าน 6 พฤษภาคม 2533 เป็น 15 สําหรับ 15 นี้นี่นะจะงดเป็นเรื่อง เมื่อ 5 พฤษภาคม 2533 ได้มอบหมายภาระหน้าที่ศูนย์ 2521 ต่อมาธรรม 2525 ก็ต้องพักให้ทหารทําแทนทั้ง เพราะว่าเธออยู่ภาคอีสานอยู่แล้วให้ทําหน้าที่ 2 วันขนไปประมาณสัก 5 คันรถยัง ใช้รถ 3 คันขนยังไม่หมดไม่เป็นไรก็ อภิไตยมีศรัทธามีมากก็ตาม 2 3 ช้อนก็มีผักบ่วง บางแห่งก็ต้องกินเปลือกไม้อย่างนี้เป็นต้นแห่งก็ต้องกินเปลือกไม้ นามสกุลอ่องแสอาอ่องไคล้ได้นํารถแวนมาถวายคันจะเข้ามาก็ๆไม่ กับร้อยตีนาทีเข้ามาบอกว่าวันนี้เม 12 เมษายนตอน เออใหม่ที่สุดซื้อมาบาทรถเบงก็ดีอยู่แล้วจะสบายรถแบรนด์อีกหรือ และจาปัญญากับคุณบังเอิญองค์คล้าย อีกคุณเอ่อคุณนิพัทธ์ดีตั้งสํานักชื่อแปลกๆก็ไปวัด แต่ตังค์ที่เข้าร่วมทําบุญ 50,000 บาทแล้ว บริจาคกุลเอาบาทเพราะว่า 5 นี้รู้สึกว่าโชคดี มาบนท่านแล้วจะบนท่านเท่าไหร่ก็ตาม 5 หลังจากนั้น 6 เอ่อวันที่ 5 ยัง มันเป็นโรคหลายอย่างพอกลับมาถึงแล้วเค้าก็รายงานบอกว่าเจ้าขนป่วย ก็เลยเรียกเจ้าขุนเจ้าขุนว่าไหมคว้าคนมีเอ่อก็ขนไม่มีนี่ก็เหมือน ก็อะไรภษาที่ไม่เกิดบนหัวน่ะหัวต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ผมหลุดหมด 5 วัน 7 วันแล้วก็ทาผมขึ้นเต็ม ก็เลยลองมาทายเจ้าขุนปรากฏไม่ช้าไม่นานไม่กี่วันนักขนขึ้นขนขึ้นสวยหนากับผม ลูกครามได้ถ้าเรียกเรียกชื่อมันอะไรถอยหลังมานั้นเอาถ้าเวลาไหนพวกก็เข้าแต่เวลากลางวันกับคืนก็ตามเห็นหมาตัวอื่นนอน แต่หน่อระเจ้า 5 ปรากฏว่าพรนุชพึงคงดี นักเรียนประจำนี้มีสัตวแพทย์ลืมชื่อของท่านแล้วคนเขียนถ้านักศึกษาได้ ศึกษาบางทีเจ้าสนักตัวไหนมันป่วยอยู่ใครก็เดินหากันกันทั้งเครื่องบ้านคนบ้านก็หาเธอมีเมตตาดีมากเด็กดีๆประเภทนี้ก็ควรจะให้ทุนการศึกษาทั้งใน <c oughs> ก็ปรากฏว่าพอไปไปเยี่ยมสวนหนักมันมีไหลฝูงก็อาตมาก็ไม่สบายเดินก็จะ เงามืดชายคนหนึ่งยืนอยู่ก็ความดีอยู่มากมีความ อาตมาก็ 6 กลับต่อมาวันนี้ที่พูดนี่ๆ 6:30 น. เมื่อเวลาประมาณ 6:00 น. หลังจาก ก็ภาวนาตามคถาที่ชอบใจชอบใจบทไหนภาวนาบทนั้นจิต มีวิมานข้างล่างชั้นล่างเป็นเป็นทองคําเสาเป็นทองคําแต่หลังคาเป็นแก้วแต่สําหรับเทวดานั้นสวยงามมากชฎาที่เห็นใสน่ะมันสวยกว่าชฎาดิเกลมมากมีเพชรแพรวประกายประดับตัวกับเพชรแพรว บอกว่าเธอเป็นสุนัขเธอก็ยังกลัวไม่กล้าใหญ่เข้าใกล้วันดีคืนดีเธอเข้ามาหาแต่วันปกติถ้าเรียกมาเธอจะไม่ยอมเข้าใกล้จะวิ่ง ก็ถามว่าเวลานี้เธออยู่ที่ไหนถามว่าเวลานี้เธออยู่ที่ไหนที่ก็บอกว่าอยู่สวรรค์ชั้น แต่ว่าถ้าคืนทั้งคืนไม่ยอมหลับก็มีนอกจาก 100 เศษทั้งนี้เพราะอะไร เจ้านินเป็นพ่อใหญ่ 7-8 ปีเท่านี้แล้วบรรดาท่านบุกป่ามันผิดลูกมาทั้ง 200 เสียต้อง ไอ้เงินครอบเขตค่ายาค่ารักษาโรคปีแล้วมากๆค่าอาหารก็ปีแล้วมากๆแต่ว่าโซนักชุดนี้มันมีบุญมี <c oughs> คนหลายท่านที่ต่างๆคน 3,000 4,000 ถึง 12,000 30,000 ก็มีบาง 50,000 ก็เลยฝากเอาเงินไปเอา ก็วิ่งไปหาพอนั่ง แต่ความจริงก็มีเจ้าขนตัวเดียวที่มันเป็นเทวดาแล้วอยู่ไกลเห็นภาพยืนสง่างามมากศดาก็สวยงามมากแต่ยืนอยู่ไกลแต่ทุกตัว ว่าทำไมยกย่องว่าหมาเป็นเทวดาหมาเป็นเป็นเทวดาทําบุญแบบ ถ้าท่านเชื่อพระพุทธเจ้าท่านก็ไปตามทางที่ท่านต้องการหรือท่านไม่ แต่เรื่องราวๆแล้วก่อนจะจะตาย เติ른 <c oughs> รัดป่าน้ําอาหารหมดทนอุ้มไม่ไหวพ่นเมื่อยๆไม่ไหวก็เลยลูกวางโคนต้นไม้ป่วยลูกตายอันนั้นเรามาพบบ้านในโคบายเข้าเวลานั้นเป็น ก็เลยสั่งให้คนรับใช้เอาข้าวมาทุบญาติอย่างดี อ๋ออย่าไหนสุนัขชอบไปกระโสงให้สุนัขก็กินท่านก็กินนายโกโตฬิกะก็กินปัญญาก็ยังไม่กินแต่โกโตฬิกะก็มีความรู้สึกว่าสุนัขตัวนี้มันดีกว่าเราข้าวมธุพยาดเด็กคนจนอย่างเราไม่มีโอกาสจะได้กินถ้าเกิดมันในชีวิตกินวันนี้เป็นวันแรกก็อาจจะเป็นวันสุด ปัญญาเป็นห่วงสามีปัญญายังไม่กินและและแลมเดม ต่อมาเมื่อสุนัขตัวนั้นคลอดมาก็มีความรู้สึกว่าเป็นสุนัขที่มีรู้กว่าการรู้ไปข้างหน้าไปข้างหลังมาที่นี่ วันนี้ก็ปรากฏว่าตอนเวลาบ่ายเจ้าเปลี้ยคือ เมื่อเกิดเป็นหมาก็มีความรักเมื่อโกตุหริกะเมื่อเอ่อเมื่อ <c oughs> หลังจากพระเจ้าพุทธเจ้ากลับเขาคตมาธแล้วมันก็เกิด อภราพูดเต็มเสียงก้องทั่วดาวดึงส์ก็ต่อๆก็มีแล้วในเรื่องต่างๆที่เคยพูดไปแล้ว แต่เทวดาเป็นนางฟ้าไม่ใช่โอ้โหมันสวยจริงๆสง่ามาก <c oughs> <c oughs> มองดูชะดา เลยบอกเธอบอกว่าถ้าอย่างนั้นพวกสุนัขที่ตายแล้วทั้งหมดให้เรียกว่าพร้อมกันทีเธอก็เรียกว่าพร้อมกันนับร้อยคําว่าตายทั้งหมดนี่ก็หมายความว่า <c oughs> ปรากฏว่ามาทั้งหมดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ามีความสวยสดงามอันนี้แหละ สัตว์ที่อยู่คือคือใครมามันเห่าบ้างงาโชคบ้างผู้ ไม่เป็นการเวลานี้เรื่องปัจจุบัน 6 พฤษภาคม 2533 มอบไปเถิดหลังจากเวลา 15:00 มันเหลือเวลาถึง 3 นาทีเราจะคุยอะไรกันดีถามว่าวันนี้มีร่าง มันคือกินไปแล้วหลับดีแต่ว่าทั้งทั้งที่หลับดีกลางวันตอนเช้ามันก็เร่งงานมันก็โปร่ง มันรู้สึกว่าอาการเกิดขึ้น อาการอย่างนี้ไม่ดีบรรดาท่านทั้งหลายถ้า คล้ายๆกับโลกหลไสแต่ไม่ใช่หลไสตายคือการมันเวลาก็เหลือไม่ถึงครึ่ง ik medebanden van de protestantsnieuwtenen, de en lezers, allemaal, allemaal, allemaal, allemaal, allemaal, allemaal, allemaal,